u <Sess> d d h a m s r a g a c c h u d d h a m r a gacchā. u d d h a m <Sess> m ā r ā a g a c c h d h a m <Sess> m a m r a g a c c h ฉะนั้นปุถุชนย่อมสำคัญปฐวีเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าความยินดีในปฐวีบอกพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเราจะถาคต ข้อนั้นอันปุตุชนไม่ได้กําหนดรู้แล้วบอกว่าเพราะ อ, อะไรเพราะอันปุตุชนไม่ได้กําหนดรู้แล้วไม่ได้กําหนดรู้อะไรไม่กําหนดรู้ด้วยปริญญาสามถ้าปุตุชนกําหนดรู้ด้วยปริญญาสาคือยาตาปริญญาตีรณปริญญาและปหานะปริญญาเนี่ยถามว่าถ้าเราจะละไออุปาทานเนี่ยนะปริญญาเป็นเชไหนปุตุชนย่อมรู้ปัตวีธาตุว่าปัตวีธาตุนี้เป็นไปภายในต้องรู้ด้วยนะ ปัวีธาตุนี้เป็นไปาภายนอกนี้เป็นลักษณะของปัทวีธาตุนั้นเหล่านี้เป็นกิจเป็นปัจจุบานเป็นประทัดฐานของปัทวีธาตุนั้นดังนี้เรียกว่ายาตะปริญญาต้องรอบรู้อย่างนี้ยถ้าบอกว่าไอ้ปัทวีธาตุที่เป็นภายในคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นใช่ไหมปัทวีธาตุที่เป็นภายนอกก็คือนั่นแหละผมขนเล็บฟันของคนอื่นด้วย แล้วก็กลุ่มพวกสมมติปฐวีบ้างอารามนาปฐวีบ้างสาสัมภาราปฐวีบ้างและในขณะเดียวกันต้องรู้ลักษณะของปฐวีด้วยว่าปฐวีนี้มีลักษณะแข็งแข็งเป็นลักษณะนี้เป็นต้นแล้วต้องรู้กิจของปฐวีด้วยกิจของปฐวีนั้นเขามีการไม่แยกกันใช่ไหมไม่แยกกันจากดินน้ำไฟลมเนี่ยอาการต้องรู้ของเขาอย่างนั้นด้วยแล้วเหตุที่จะทําให้เกิดปฐวี ต้องรู้ด้วยว่าปัทวีนี้เกิดจากกรรมปัทวีนี้เกิดจากจิตกิจตว์ปัทวีนี้เกิดจากอุตุปัทวีนี้เกิดจากอาหารเนี่ยต้องเข้าไปรู้ให้ละเอียดละอออย่างนั้นจึงจะเป็นยาต่อปริญญาเามือนนั้นเช่นปัทวีคือกรรมเนี่ยใช่ไหมปัทวีคือกรรมเนี่ยเช่นเป็นผลของวิญญาณเนี่ยต้องรู้วิญญาณด้วยว่าวิญญาณกล่ออาวคือปฏิสัณฑที่วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดรูปเนี่ยนะ กาคือกรรมชืรโรคที่ตั้งที่อุปาทัคณาของปฏิสนธิจิตเนี่ยต้องรู้ตัวนี้ด้วยนะลักษณะอย่างนี้ถึงจะเป็นยาตับริญญาและตรีระปริญญาเป็นอย่างไรแหะบุคคลรู้ด้วยอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีนะ่ยถามว่ากรรมเที่ยงไหมปัทวีที่เกิดจากกรรมจะเที่ยงได้อย่างไรจิตเที่ยงไหมปัทวีที่เกิดจากจิตจะเที่ยงได้ยังไงอุตุเที่ยงไหมปัทวีที่เกิดจากอุตุจะเที่ยงได้อย่างไร อาหารเที่ยงไหมว่าปัตถวีที่เกิดจากอาหารจะเที่ยงได้อย่างไรเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศ้อนมีไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาถ้าพิจารณาอย่างนี้จะไปเห็นด้วยความเป็นอัตตาไม่ได้เน่ยเห็นอยู่อย่างนี้เป็นตีรณาบปริญญาและปหาน้ปริญญาเราเป็นยังไง บุคคลพิจาราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วย่อมลาชันทราคะในปฐวีธาตดนะุด้วยอรหัตมรักสูงสุดนะด้วยอรหัตมรักเน่ยอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ต้องมาชื่นชมดินอีกแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมามีดินอีกแล้วอย่างนี้โดดหนีจากดินได้ไหมอรหัตมรักเนี่ได้เด็ดขาดเนี่ยทำให้ได้กันแล้วกันตั้งเพราว่าใช่ไหมตั้งอัธยาสายกขาว้ว่าเออจะต้องทํายาตรปริญญาตีรณปริญญา ยานในอริยมรรคเนะี่ยชื่อว่าปหานะปริญญาการกำหนดรู้นามรูปชื่อว่ายาแต่ปริญญาการกำหนดรู้พิจารณาโดยความเป็นกระลาเป็นต้นจนถึงอนุรมนี่เนะี่ยเป็นที่สุดนี่เป็นตระนะปริญญาแล้วก็ส่วนยานในโสดาปริมรรคเป็นต้นเป็นปหาณปริญญาเนี่ยปุตุชนย่อมกำหนดรูปปทวีปุตุชนนั้นย่อมกาหนดรู้ด้วยปริญญาสามเหล่านี้ ถ้ากำหนดรอบรู้ด้วยปริญญาสามอย่างนี้ปุตุชนเหล่านั้นชื่อว่าปุตุชนนั้นได้สดับนี่นะแต่ถ้าปุตุชนนั้นไม่มีนะถ้าปริญญาสามไม่มีแก ป, ปุตุชนนั้นเพราะฉะนั้นปุตุชนนั้นย่อมสำคัญย่อมยินดีเพราะไม่กำหนดรอบรู้ด้วยปริญญาสามพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนวิกษุทั้งหลายปุตุชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นภริยะ ไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษไม่เห็นสัตว์บรุษเนะี่ยย่อมสําคัญปัทวีย่อมสําคัญในปัทวีย่อมสําคัญจากปัททวีย่อมสําคัญปัททวีว่าของเราอย่างนี้ย่อมยินดีปัทวีนะพอยินดีดินก็ยินดีทุกคนยินดีทุกก็ไม่พ้นจากทุกเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่คืออุปท า, านวังว่าคงเข้าใจอุปท า, านดีนะแต่เนี่ยนะี ต่อไปจะได้ว่าโอ้นี่ทิฏฐุภาทานเป็นอย่างนี้เอออะขอไปอัตวาทุภาทานเป็นอย่างนี้การยึดมั่นในอัตตาว่าเป็นเพราะเป็นเหตุยึดมั่นอั ต, ตาวาทะเรียกว่าอัตตาอั ต, ตานี่เขาเรีย <c> ก <oughs> <c oughs> อั ต, ตาวาทุภาทานนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูทิฏฐุปาทานนะย้อนไปดูทิฏฐุภาทานใหม่ตัวทิฏฐหสิบสองเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนพิกษุททั้งหลายยังมีธรรมอย่างอื่นอีกแล้วที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบ ประณีตจะคาดคะณีไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณ mm ฑิตที่ตถาคตทําให้แจ้งด้วยปัญญาอยิ่งแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทาหนันที่ลึกซึ่งเห็นได้ยากสงบประณีตจะคาดคะณีไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตที่ตถาคตทําให้แจ้งด้วยปัญญาอยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายกล่าวชมตถาคตเป็นจริงโดยชอบเหล่านั้นเป็นไฉไหนปุพันตะกัปปิกะทิฐิ18 ดูในในคู่มือปุพันตะปัปุพันตะกับ ป, ปิกะทิฏฐิ18อย่าง น, นในปุพันตะกับปิกาทิฏฐิคือความเห็นผิดโดยการนึกเอาเองในเรื่องความเป็นไปของขันห้า 5, ที่มาแล้วเนี่ยก็แปลว่าสมณะหรือพรามพวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีตพวกนี้นะ มีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตก็ปารบขันส่วนอดีตกล่าวคือกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยวัตถุ18บประการก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นนะนะผู้เจริญอาศัยอะไรปารบอะไรกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นเป็นไปตามส่วนอดีตกล่าวแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยวัตถุ18ประการ น, น ะ, ะมีอะไรบ้างอะพวกสัตสตาทิฏฐีศี สัตตาธิฏฐิจะเห็นว่าเที่ยงนะืกลุ่มนี้เห็น4ี่อย่างเขาบอกว่ากลุ่มสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยปาอาศัยอะไรปารอบอะไรจึงมีว่าท่าว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุสประการเห็นไหมกลุ่มนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าสมณะหรือพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกเนี่ยอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนาสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเครื่องยีโยนปราศจากอุปกิเลสเนี่ยระลึกขันที่เคยอยู่ได้ในการก่อนในหลายประการโอ้ oh, พวกนี้ระลึกชาติได้นั่นเองระลึกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงถึงแสนชาติเลยเลยกว่านั้นก็มี เรามีชื่ออย่างโน้นมีโคษอย่างนั้นมีผิวพรรณมีอาหารสวยสุขสวยทุกมีกำหนดอายุจุติจากนั้นแล้วไปเกิดในพบนั้นเนี่ยนะขันออกจากพบนั้นก็มาเกิดในพบนี้ตามและลึกขันของตอนเต็งได้ก็เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุจภูเขาตั้งมั่นดุจสารเนี่ยที่ตั้งอยู่ส่วนสัตว์ทั้งหลายย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวย่อมจติย่อมอุบัต แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงอยู่แน่แท้แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้คือสัตว์เกิดสัตว์ตายเป็นเรื่องปกติแต่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นนั้นกลุ่มหนึ่งนี่เขาเห็นลักษณะนี้อันนี้เห็นเองไหมเนี่ยเห็นเองแต่เห็นไม่ตลอดสายเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เขาได้เจโตสมาธิอาศัยมนุิการโดยชอบด้วยนะทำเจโตสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ระลึกชาติวันหลังได้เหมือนกันท่องทีนี้พอร ะ, ะลึกชาติก็มีความเห็นในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็บอกแล่นไปท่องเทีย่ยวย่อมจติย่อมอุบตัติแต่สิ่งที่ทเที่ยงมั่นคงเนี่ยแท้อยู่นี่เป็นฐานหน้าที่หนึ่งของสมณพราหมณ์ปราลบวเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกวัฏเที่ยงพวกนี้บัญญัติเลยบอกอัตตาก็เที่ยงโลกนี่เที่ยงส่วนฐานหน้ที่สองะอาศัยความเพียรมนุิการโดยชอบเหมือนกัน รละลึกขันในการก่อนได้เหมือนกันแล้วในที่สุดจริงๆก็บอกว่าไปพิจารณาก็เห็นโดยความเป็นของเที่ยงอีกแล้วเที่ยงยังไงบอกว่ารู้อาการที่อัตตายโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุดภูเขาเป็นต้นจึงมีว่าเท้าเที่ยงบัญญัติโลกว่าบัญญัติคือลักษณะการเที่ยงไปเข้าใจเป็นคนละอย่างเลยนะเนี่ยโดยโดยสรุปในลักษณะอย่างนี้ในสัตตาวาทะเนี่ยสัตตทิฏฐีมีอาการหรือการว่ากล่าวและการเห็นอย่างนั้นน่ยนั้น น, นส่วนสี่อย่าง ส่วนประการต่อมาเป็นพวกเอกัตย์สัตสตาทิฏฐิอีกสบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงสมณพราหมุกหนึ่งมีวาทะบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาในโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงโดยวัตถุสเหมือนกันพวกนี้อาศัยอาศัยสมัยที่โลกพินาศโดยล่วงไปช้านานเมื่อโลกกําลังพินาศอยู่เหล่าสัตว์โดยมากเกิดในชั้นอาพัสระพมพวกนี้นะไปเกิดในอภัสระพมโลกพินาศใช่ไหม โลกพินาศก็รู้เลยไอ้บางอย่างมันเที่ยงเนี่ยไอท้ที่เธอตนเองอยู่เนี่ยเที่ยงอภัสราพรม ม, มันพินาศไม่ถึงแต่เป็นสําคัญว่าพวกมนุษย ơi, ์เอ่ยเทวดาเอ่ยที่มันพินาศไปเนี่ยพินาศไปเพราะกับเพราะน้ําบ้างเพราะไฟบ้างเพราะลมอ่ะแล้วเขาอย่างเงี้ยเวลาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็เลลึกชาติได้โอ้ยเนี่ยนะบางอย่างมันเที่ยงอถ้าเราไปเกิดอยู่บนนูน้นเราจะได้เที่ยงอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้เป็นต้นนี่พวกเอกัตจารสัสตตทิฐิเห็นบางอย่างเที่ยงเห็นบางอย่างไม่เที่ยงทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งอย่าไปเอาเอารายละเอียดเอาอันตานันติกาทิฐิสอันตานันตะทิฐิสี่อย่างมีที่สุดแล้วก็หาที่สุดมีไม่ได้ กลุ่มพวกนี้คือสมณพราห ม, มีว่าถ้าโลกมีที่สุดและไม่มีที่สุดบัญญัติโลกมีที่สุดและไม่มีที่สุดหมายอาศัยปารบแล้วก็โลกมีที่สุดแล้วก็บัญญัติวัตถุสี่อย่างสมณะพราหมางพวกอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสเหมือนกันอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิาการโดยชอบเนี่ยกลุ่มพวกนี้ได้สัมผัสเจโตสมาธินะแปลว่าได้ชานสมาบัติเนะี่ยย่อมสําคัญโลกไหนมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยความเพียนเครื่องเผากิเลสตั้งมันอาศัยการประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทมรสกการโดยชอบแล้วก็สัมผัสเจโตสมาที่อันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมันจึงมีความสําคัญว่าโลกมีที่สุดด้วยการสัมผัสคุณวิเศษนี้แล้วข้าพเจ้ารู้อาการโลกมีที่สุดว่ากรมโดยรอบอ่ะเห็นเลยนะดูก่อนนี้เป็นฐานะที่หนึ่งของสมณะพราหม์ที่ปารบเราเห็นโลกมีที่สุด บอโอ้ไปเห็นความกลมของโลกว่างั้นอโลกนี่มีที่สุดเนี่ยอาศัยว่าตนเองเห็นแค่ไหนคือคือมันอย่างนี้กลุ่มพวกนี้เขาจะเห็นว่าเวลากระสินของเขาเนี่ยเวลาเขาแผ่ไปเนี่ยเขามองอำนาจสมาธิเขาแผ่เห็นแค่ไหนเนี่ยเขาเห็นตรงนั้นเป็นที่สุดของเขาเขาเห็นอย่างนั้นมันแล้วแต่กําลังสมาธิใช่ไหมว่ามันจะที่สุดได้แค่ไหนเขาขยายใหญ่แค่ไหนมองเห็นโลกใบนี้ ด้วยตาทิพย์ด้วยหูทิพย์เพื่อด้วยตาทิพย์เพื่อเขานี่ยเขาก็เห็นตามตามกำลังของก็เลยกล่าวว่าโลกมีที่สุดและไม่มีที่สุดอะไรเงี้ยนีคือบางทีในกลุ่มนี้บอกว่าอาศัยสัมผัสวิเศษเนี่ยรั้วการของโลกมีที่สุด um. บอกว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดมิได้ด้วยฐานะที่สองนั้นๆกลุ่มหนึ่งบางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุดเป็นตน้นอันนั้นคือกลุ่มมีที่สุด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง อ, s. <S อกกรมราวิเขป่าทิฐิอมราลาวิวิเขป่าทิธีนี่เนีกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีความเห็นไอ้คำว่าอมราวิเขป่านี่กลุ่มนี้คือกลุ่มดินนะีกลุ่มไม่แน่นอนท่านยกตวัวอย่างปลาก็าบอกมันมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งนะคำว่าวิวิเคโปเนี่ยนะวิเขโ ป, นนะ เ, ขโปเนี่ยพอดิ้นไปมีอย่างต่างๆ อมาราเนี่ยคืออะไรคําว่าอมาราเนี่ยอมราเนี่ยคือไม่ตายคําว่าอมาราคํำนี้แปลว่าไม่ตายจะไม่ออมาราเนี่ยแปลว่าไม่ตายวาทะตรงนี้เนีความเห็นวาทะของคนผู้เป็นไปผู้เห็นไปซึ่งเว้นจากความสิ้นสุดความเห็นของเราอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นต้นมันหาที่สุดไม่ได้ความเห็นของคนประเภทนี้อมาราวิคิปโปเนี่ยนี ทิศทีและวาจาดิ้นไปไม่ตายตัวทิศทีก็ดิ้นไปได้ไม่ตายตัวอคําพูดก็ดิ้นไปไม่ตายตัวเนี่ยนะเขาเรียกอาอามราวิเขปิกะเพราะมีทิศฐิและวาจาที่ดิ้นไม่ตายตัวเหมือนปลาชนิดหนึ่งชื่ออัมราลาเนี่ยเขาแปลว่าปาลาไหลอัมราเนี่ยคือปาลาไหลปลาไหลนั้นเมื่อแล่นไปในน้ําก็ผุดขึ้นแล้วก็ดำลงเนี่ยใครๆก็จับได้ยากไม่อาจจะจับได้ด้วยมือเปล่าเปล่า เพราะงั้นแม้ว่าทานี้ก็เหมือนอย่างนั้นแล่นไปข้างโน้นแล่นไปข้างนี้โดยอาการที่จะจับไว้เนี่ยยากอมาราวิเขป่าสมณพราหม์ชื่อว่า อ, อมอมราวิเขป่าทิถีพาะมีทิถีวาจาเด้นเหมือนปลาไหลนี่กลุ่มนี้จะดิน้นอ่ายกตัว อ, อย่างการดิน้นพวกดิ้นเนี่ยนะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าสมณพราหม์เนี่ยนะบอกว่ามีความเห็นดิ้นไม่ตายตัว เมื่อถูกถามบัญหาในเรื่องนั้นๆก็ย<ๆ>่อมกล่าวว่าจาดินไม่ตายตัวโดยวัตถุสี่อย่างเนีว่าไงดินไม่ตายตัวบอกการดิ้นของบุคคลพวกนี้อาศัยอะไรจึงมีความเห็นดิ้นได้ไม่ตายตัวเขา่ากงั้นบอกการดิ้นไม่ตายตัวโดยวัตถุสี่อย่างเนี่ยเขบอกสมณะหรือพรามในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้เป็นกุศลคือเขาไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศล เขามีความเห็นอย่างนี้เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงเขารู้ไหมเขารู้เขารู้ว่าตัวเองไม่ได้รู้หลักกุศลเป็นยังไงอกุศลอย่างไงบาปยังไงบุญยังไงก็ไม่รู้แว่าแต่ถ้าเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้นี้เป็นกุศลนี้เป็นกุศลจะพึงพยากรวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลคัมยากรของเรานั้นพึงเป็นคําเท็จคําเท็จของเรานั้นพึงเป็นคําเดือดร้อนแก่เราความเดือดร้อนนั้นพึงเป็นอันตรายแก่เราเขาคิดงี้นะ ถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราไปยอมรับและไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับเราหรือไม่ดีไหมความเห็นแบบนี้ดีไหมด้วยเหตุนี้เขาจึงพยากรณ์วันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเพราะการกล่าวเท็จเพราะเกลียดการกล่าวเท็จเมื่อถูกถามปัญหาในเรื่องนั้นนนั้จึงกล่าวว่าจาดิ้นไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เขาบอกว่ากุศลเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกเอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ เอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ใช่อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เงี้ยความเห็นลักษณะอย่างเงี้ยเขาเลยดิ้นไปเรื่อยดิ้นไปแล้วบางทีเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีใช่อย่างเงี้ยเน่ยใครเคยเห็นคนดิ้นปันนี้ไหมดิ้นทุกมุมอ่ะคว่าอมราวิเปะเนี่ย เขาแปลว่าทิฏฐิและวาจาที่ดิ้นไม่ตายตัวเง้ไม่ดิ้นไม่ตายตวัวความเห็นลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะดิ้นได้อยู่ตลอดเวลานะถ้าถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจคำว่าเอกกรณีการดิ้นไม่ตายตัวเนี่ยว่าถ้าฐานะสองเขบอกสมณะพราหมณ์เนี่ยอาศัยอะไรปารคอะไรมีความเห็นที่ดิ้นไม่ตายตัวเนี่ยถ้าถูกถามปัญหานะ สมณะหรือพามบางคนในโลกนี้ไม่มีความรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลมีความคิดอย่างนี้ nya, เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงเข้ารู้นะนี่ก็เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลถ้าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลจะพึงพยากรวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเนี่ยความพอใจความติดใจความเคืองใจความขัดใจในข้อนั้นพึงมีแก่เรา ใช่ไหมถ้าเราไปพยากรเนี่ยเดี๋ยวพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือขัดเคืองความติดใจอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเราไอ้พวกนี้จริงๆมันรู้แปลกๆนั่นเองนะไอ้รู้แบบอมมาลาวิเขียปาทิทีเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปพยากรณ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความทุกข์ตามมาหรือทําให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างขัดเคืองบ้างไม่ขัดเคืองบ้างเนี่ยเขาบอกว่าพ่อที่มีความพอใจความติดใจความขัดเคืองความ ขัดใจนั้นจะพึงเป็นอุปาทานของเราอุปาทานของเราจะพึงเป็นความเดือดร้อนของเราเนี่ยความเดือดร้อนของเรานั้นจะเป็นอันตรายแก่เรามองอยู่ไหมว่าเออพอเห็นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะทําให้เรายึดใช่ไหมเพราะเกิดความยึดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดือดร้อนเดี๋ยวเราก็เดือดร้อนเดี๋ยวมีคนมาถามใหม่ใช่ไหมเราไปยืนยันอย่างนั้นเจะเสียหายอีกเราจะเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราเพราะเราไม่ได้รู้จริงเนี่ย ด้วยเหตุนี้เขาจึงพยากรณ์ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเพราะกลัวอุปาทานไม่พยากรณ์เลยเขาไม่พยากรณ์ว่าไหนเป็นบุญเป็นบาปนียเขากลัวอุปาทานเกลียดอุปาทานเมื่อถูกถามปัญหาในเรื่องนั้นจึงกล่าวว่าจ่าดิ้นไม่ตายดิ้นดิ้นไม่ตายตัวเลยแต่เนี้ยความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนี้นียยันไปเลยบอกว่าไม่ใช่ เขาถึงบอกว่าจริงๆนียกลุ่มนี้อย่าว่าไม่ฉลาดนะฉลาดในการปิดบังความงโง่ตนเองเนี่ยถือว่าฉลาดที่สุดมั้นกันนะเนาะแต่ว่าฉลาดถามว่าถ้าในลักษณะอย่างเนี้ยถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้แปลว่าเขาเขาคิดเขากลัวมากอุปทานาใช่ไหมอุปทานาที่จะทําให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยก็กลัวมากถ้าในฐานะที่สามดิ เขาจะเห็นยังไงรู้ไหมสมณะหรือพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดคือไม่รู้ชัดกุศลอกุศลเป็นต้นไม่รู้ชัดประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยเขามีความคิดว่าเออสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลถ้าเราไม่รู้ชัดต่างความเป็นจริงนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเนี่ยนะจะไปพยากรณีเป็นกุศลนี่เป็นอกุศลเนี่ยก็สมณะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาละเอียดชำนาญในการโตวะทาเป็นดุดดังแม่นธนูเหมือนคนแม่นธนูอ่ะมีอยู่นะ ไอคนเก่งเลยบัณฑิตเลย ơi, เหมือนคนแม่นธนูความจําเฉียบแหลมเนี่ยนะดักวาทะอไรเยอะเยอะแยะหมดเนี่ยคนกลุ่มนี้มีเนี่ยเหมือนจะเที่ยวทําลายวาทะด้วยปัญญาเขาจะพึงซักไซไล่เลียงสอบสวนเราในข้อนะั้นเราก็ไม่อาจจะตอบโต้เขาได้ใช่ไหมนี่การคนฉลาดเนี่ยเขาคิดกันทันทีเลยก็ว่าการที่เราโต้ตอบเขาไม่ได้นั้นจะเป็นความเดือดร้อนแก่เราเนอะถ้าไปเจอบัณฑิตเข้าเนี่ยนะเจอท่านผู้รู้จริงๆเข้าเนี่ย ถ้าเราเกิดไปตายตัวไปยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือเราอ่างนั้นนะความเดือดร้อนของเรานั้นจะพึงเป็นอันตรายเก่เราเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่พยากรกลุ่มนี้ไม่พยากรว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะกลัวอุปท า, านเพราะเกลียดอุปท า, านเพราะเมื่อถูกถามปัญหาในเรื่องนั้นจึงกล่าวไม่ตายตัวว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ก็มิใช่เนี่ย mm hmm. เขาจึงกล่าวในลักษณะอย่างนี้เลยจะแด้แสดงว่าปิดประตูกลัวบัณฑิตกลัวท่านผู้รู้จะถามม อ, อฉะนั้นถ้าหากเชิคนกลุ่มเนี้นะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเดินหนีนะไม่คุยด้วยคนกลุ่มเนี้ยเล่นปิดประตูอย่างนี้แล้วจะมาเขาแปลว่าเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วแต่เชื่อไหมคนนับถือมากที่สุด <laughs> เนี่ยคนคนอย่างเงี้ยคนน่าถือมากเอาใครเอาที่มีความเห็นแบบนี้ในะสมัยขั้งพุทธกาลจําได้ไหมสัญชัยปริพาชกเนี่ยอาจารย์สัญชัยเนี่ยอาจารย์ของแต่ก่อนอุปติศากอริตาเคยไปศึกษาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจริงๆอ่ะฉลาดเป็นกรดง่วงนั้นนลยนะแต่ฉลาดแบบนี้ปิดความโง่นั้นอุปติศากอริต า, าจึงบอกลทัทธิของอาจารย์ว่างเปล่า ว่างเปล่าจากจากจากสาระว่างเปล่าจากแก่นสารน่นะไม่มีแก่นเหมือนต้นกล้วยเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นไม่มีแก่นคือคือดูแล้วไม่ได้มีสาระเลยไม่มีสีละสาระไม่มีสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศน์นาสาระคำว่าไม่มีสาระไม่ใช่ว่าไม่มีสาระเฉยๆที่เราไปว่าคนอื่นเขาเนะสาระในที่นั่นคือสาระของศีลเป็นต้นไม่มี บางทีเราไปบอกใครว่าไม่มีสาระนี่เราไปคิดอย่างอื่นเลยไม่ได้น้อมว่าสาระคือศีมีไหมถ้าศี น, นั้นเป็นปัจจัยแก่การจะ แ, แทงตลอดอริยสัตว์หรือไม่ ก, ก็ก็ไม่มีสาระในลักษณะเช่นนั้นคือคือในกลุ่มลักษณะอย่างนี้ท่านเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของอมล า, าวิเคปะอภรรการต่อไปก็คืออะไรละ อ, อาทิตจะสมุปปันนะทิฐิอาทิต อาทิตจ่าสมุปปนันนาทิฐินี่เกิดขึ้นลอยลอยไกุ่มนี้พวกนี้เกิดขึ้นมาลอยลอยเขาเขาเกิดยังไงอะดูเป็นตัวอย่างสักนิดหน่อยพอเป็นข้อศึกษาบ้างนะเมืม่อกี้ใส่ไปใหม่ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวไปนึกว่าไปกดผิดเขาพิกสูตทั้งหลายจมนาหรือพรามณ์พวกหนึ่งมีความเห็นว่าอัตตาและโลกเนี่ยเกิดขึ้นลอยลอยย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยลอยด้วยวัตถุสองประการนะ อาศัยอะไรปารบอะไรอัตตาและโลกจึงเกิดขึ้นลอยๆดูก่อนพิจารณาทั้งหลายมีเทวดาชื่อว่ า, าสัญญีสัตว์เดี๋ยวขออภัยชื่อว่าอาสัญญีสัตว์นะรู้จักอสัญญีสัตว์ไหมอสัญญสัตว์ประพรมนี่นแหละคือเทวดาพวกนี้พรหมพวกเนี้เอินในพระไตรปิฎกถ้าไปเจอคําว่าเทวดาหมายถึงพรหมนะทัทาอาสัญญีเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนปฐวีเทวดาอย่างนั้นพรหมนะพรหมที่มาสายดิน อาโปเทวดาพรหมที่มาสายน้ำเตโชเทวดาวาโยเทวดานิละเทวดาเป็นต้นปีตะเทวดาเทวดาอสัญญีสัตย่อมจุติจากนะบอกว่ากลุ่มเทวดาเหล่านั้นย่อมจุติจากหมู่นั้นความมาเกิดขึ้นแห่งสัญญาคือว่าตายจากอาสัญญาสัตว์พรหมแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติหมู่นั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเลยพวกเนี้เพราะมีอัธยาศัยเก่าก่อนที่เคยเป็นพรหมมาเนีเป็นพรหมเป็นอสัญญาสัตย์พรหมที่มีแต่รูประคั่นอย่างเดียวเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรปะชิตอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมัน่นอาศัยการประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมานสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งจิตไว้มั่นย่อมระลึกถึงความเกิดขึ้นแห่งสัญญาได้เกิดขึ้นไประลึกเกินกว่านั้นไประลึกไม่ได้มองเห็นหรือยังกลุ่มนี้ระลึกชาติได้ใช่ไหมแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นน่ยไปติดสัญญาสัตตภูมิห้า้อยมหากับมองไม่ทะลุห้าร้อยมหากับเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมมองไม่ทะลุเลยไปติดอยู่แค่ตรงนั้นนี่ยพอไปติดอยู่ตรงนั้น ย่อมระลึกความเกิดขึ้นของสัญญาเกินกว่านั้นระลึกไม่ได้ไม่สามารถที่จะเลือกเกินสัญญาสัตยพรมได้เลยตอนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้น ล, ลอยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่ได้มีแล้วแต่ก่อนไม่ได้มีอ่ะเพราะมันไปมืดตรงนั้นเองใช่ไหมเพราะตรงนั้นดับสัญญาดับเวทนาไหมดับจิตเจสิตนี่ มันก็เลยเออมันเกิดขึ้นมาเองนะืที่เราเกิดมาเนี่ยใช่ไหมอยู่ๆมันก็ปฏิสนที่มาเพราะระลึกไปแล้วมันหายวับไปเลยอะระลึกไปแล้วหายโอ้สัตว์โลกเกิดขึ้นมาลอยๆเนาะว่างนั้นนึงนี่ระลึกแล้วเกิดขึ้นมาลอยๆสมณพรามหมณ์อาศัยปารล อ, อย่างนี้แล้วอัตตาและโลกเกิดขึ้นมาลอยๆก็บัญญัติเลยมีความเห็นประกาศคําสอนของตนเองว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นมาลอยๆนี่อาทิตยจะสมุปนาทิฏฐิ มองเห็นใช่ไหมเนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าอันนั้นคือฐานะหนึ่งส่วนอีกฐานะหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์อาศัยปรารภอัตตาโลกเกิดขึ้นมาลอยๆยเหมือนกันเขาบอกว่าดูก่อนพิกสงหลายสมณะหรือพรามณ์ในโลกนี้เป็นเป็นนักตรึกเป็นนักตรองเป็นนักคิดเขากล่าวแสดงปฏิพานตนเองตามที่ตรึกได้ตามที่คิดได้นึกได้อย่างนี้ว่า ตายและโลกเกิดขึ้นมาลอยๆดูก่อนพิกโซทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองพวกนี้คิดเองอ่ะเป็นนักตรึกนักตรึกมี4อย่างใช่ไหมตรึกแบบอะไรตรึกแบบฟังมานั้นอย่างหนึ่งตรึกแบบอะไรอีกอ่าตรึกแบบลึกชาติได้แล้วตรึกแบบนึกขึ้นมาลอยๆเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยก็ใช่อันที่สอันที่สมตรึกแบบไหนนั่นแหละนักตรึกในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกนักตรึกนักคิด ประเภทที่สามนึกเอาแต่ที่นึกได้ประเทศที่สี่นึกขึ้นมาลอยลอยประเภทที่ที่สองระลึกชาติได้ไอ้กลุ่มระลึกชาติได้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เป็นอาทิตยอาทิจะสมบปัณ น, นาที่ตีเนี่ยนะประเภทแรกคือนึกแล้วมันขาดใช่ไหมมันมันทะลุไหมไทีนี้ส่วนพวกนึกขึ้นมาลอยลอยคือกลุ่มเนี้ยบอกเออพอนึกปุ๊บแล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้ ตรึกมาแล้ววอกน่าจะเป็นอย่างนี้โรคเกิดขึ้นมาลอยๆก็บัญญัติเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพระพุทธเจ้าจึงตรัสไงบอกว่า<ม>ดูก่อนพิกษุนตั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดฐานะาเป็นที่ตั้งเองวาท่าเหล่านั้นนี้ไปที่บุคคลถือไว้อย่างนี้แล้วยึดไว้อย่างนี้แล้วย่อมมีคติอย่างนี้อย่างนั้นมีพบอย่างนั้น และตถาคตยรู้เหตุนั้นชัดและรู้ชัดยิ่งไปกว่านั้นถ้าทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยพระพุทธเจ้าประกาศเลยเนี่ยให้รู้นะว่าพระพุทธเจ้ารู้หมดแหละและตถาคตน่ยรู้ชัดและไม่ยึดมั่นการรู้ชัดอย่างนั้นด้วยและเมื่อไม่ยึดมั่นตถาคตรู้ความดับสนิทเฉพาะตนนะรู้ความเกิดรู้ดับรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษ แห่งเวทนาทั้งหลายแล้วก็รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะไม่ยึดมั่นแต่ฐาคตจึงหลุดพน้นอย่างนี้รู้อะไรรู้อัศาธาธ่ของเวทนารู้อาทีนวะของเวทนารู้รู้คุณของเวทนารู้โทษของเวทนารู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกของเวทนาเหล่านั้นฉะนั้นพระเจ้าจึงหลุดพ้นจากเวทนาเหล่านั้นหลุดพ้นจากขันได้ถ้าในลักษณะอย่างนี้บอกว่า นี่ทิฏฐิประเภทประการต่อมาคืออปรันตากับปิกาทิฏฐิเท่าไรโอ้โห oh, อีกเยอะเลยอปรันตอ์อ ป, ปกาทิฏฐิอีกสีก่ห็นไสรุปแล้วสรุปแล้วอปรันตอ์อ ป, ปิกาทิฏฐิมีความเห็นผิดโดยการคิดเัวเองในเรื่องความเป็นไปของขันห้าในข้างหน้ามีอีก44ในข้างหน้า44ใน44อาศัยอะไรในวัตถุ44นั้นสัญญาทิฏฐิ16 ในสัญญาทิฏฐินี่นืลักษณะสัญญามีวาทะวาทะว่าหลังแต่ตายหลังความตายอัตตามีสัญญาย่อบัญญัติว่าหลังแต่ความตายนี่นือัตตามีสัญญาโดยวัตถุ16อย่างนือัตตามีวัตถุ16อย่างเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกอัตตามีรูปว่ายั่งยืนมีสัญญาตาที่ไม่มีรูปยัง่งยืนมีสัญญาตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูป มียั่งยืนมีสัญญาตาทั้งที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ว่าย่างยืนมีสัญญานี้เป็นต้นนะสรุปแล้วสิบหกอ่ะสิบหอย่างสมณะหรือพรามเหล่านั้นมีวาท้าเบื้องหน้าแตา่ตาอัตตาอัตตามีสัญญา ย, ย่อมมัญญะว่าเบื้องหน้าแต่ตายอัตตามีสัญญาเนี่ยสิบหกประการเนี่ยนีเป็นอย่างนั้นและอสัญยีทิฏฐิอีก8ดอสัญญาทิฏอัตตาไม่มีสัญญาอัตตาที่มีรูปย่งยืนนี่ไม่มีสัญญ า, นญญาในกลุ่มพวก กลุ่มไหนอัตตาที่ไม่มีรูปย่างยั่งยืนไม่มีสัญญาอัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปย่างยืนและไม่มีสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะอัตตามีที่สุดย่างยืนไม่มีสัญญาอัตตาไม่มีที่สุดเนี่ยกลุ่มพวกนี้นั่นกลุ่มหนึ่งและเนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิอีก8ไปเห็นพวกนี้อีก8ชนิดมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ อัตราที่มีรูปย่างยืนมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาอัตราที่มีทั้งรูปทั้งไม่มีรูปเป็นต้นอะไเนี้ยนะอันนั้นก็ไปแยกแยะเอาอันนั้นกลุ่มเนวะสัญญีนาะสัญญีทิฏฐิและกลุ่มอุเฉททิฏฐิอีกเจพวกนี้เห็นว่าขาดศูนย์ยกตัวอย่างหน่อยว่าถ้ายกตัวอย่างขาดศูนย์หน่อยนะพวกอุเฉทวาธาเนี้ยนะพวกทิฏฐิประเภทเนี้ยเจอย่างเนี้ยนะดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาธามีทิฏฐิ ท่านพุทเจริญอัตตานี้มีรูปย่อมย่อมสําเร็จด้วยหมาพูทะรูปทั้งสี่ดินน้ําไฟลมเนี่ยนะเขาเขียนนี่นะมีมารดาบิดาเป็นเดนเกิดพราะกายแตกย่อมขาดศูนย่อมพินาศย่อมไม่มีฉะนั้นหลังแต่ความตายอัตตาจึงเป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดไอ้กลุ่มนี้มองเห็นขาดเด็ดขาดเลยคือไปเห็นในลักษณะบอกว่ า, าเออเนี่ยไปเห็นยังไงเห็นบอกว่าเออดินน้าไฟลมเนี่ย ที่ประชุมกันที่มีมารดาบีดาเป็นแดนเกิดเนว่าไงเพราะกายแตกทําลายอะในที่สุดจริงก็ขาดศูนย์เด็ดขาดเลยขาดศูนเด็ดขาดเลยกลุ่มเนี่ยนะที่เมื่อพิจารณาอย่างนี้ย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีของสัตว์ที่ปรากฏอยู่โดยประการชนิดนั้นกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มหนึ่งกล่าวสมณะหรือพรามณ์เห็นว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มีท่านผู้เจริญแต่อัตตานั้น มิได้ขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดด้วยประการเพียงเท่านี้ท่านพุทเจริญยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เป็นทิพย์ไปเข้าใจนะรูปกามอาวอจรบริโภคกาลวลิงกาลาหานซึ่งท่านยังไม่รู้ไม่เห็นข้าพเจ้ารู้เห็นด้วยอัตตานั้นท่านพุทเจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแลย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อ ม, อมไม่มีฉะนั้นหลังแต่ความตายท่านพุทเจริญอัตตาที่เป็นอันขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดสมณพราหมณ์นั้นก็บัญญั ต, ติพวกนี้ไปบางอย่างขาดศูนย์ไปบางอย่าง คืยังมีอัตราอย่างอื่นที่เป็นทิฟมีรูปเป็นการมาจรบริโภคอาหารซึ่งท่านยังไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะเข้าไปะจะเห็นอัตรานั้นย่อมแตกทําลายไปเห็นอัตราของพวกคนอื่นเขาขาดศูนย์ใช่ไหมแต่อัตราบางอย่างไม่ขาดศูนย์เนี่ยนะนั้นกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไปมีความเห็นว่าอัตราที่ขาดศูนย์อย่างเด็ดขาด เพียงเท่านี้ท่านยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เป็นทิพย์มีรูปสําเร็จด้วยใจมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่อซึ่งท่านยังไม่รู้ยังไม่เห็นข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านควเจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแล่ย่อมขาดศูนย่อมพินาศย่อมไม่มีความตายอัตตานี้จึงเป็นว่าขาดศูนย์อย่างเด็ดขาดก็บัญญัติความพินาศความไม่มีสัตว์อยู่โดยประการอย่างนี้ คือบางทีไปคิดใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามไปเกิดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปขาดศูนย์บนนู้นก็มีจริงตอนนี้ยังไม่ขาดศูนย์ก็มีใช่ไหมไปเกิดข้างบนไปขาดศูนย์นี่ก็มีนะอย่าลืมอย่างนี้เป็นต้นลักษณะการขาดศูนย์อีกอย่างหนึ่งคือทิฏฐ ธ, ธรรมนิพานอีก4เออห้าขอไปสามนา ห, หรือพรามบัญญัตินิพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ที่ปรากฏด้วยวัตถุ5ถามว่ากลุ่มนี้บัญญัติยังไง บัญญัติบอกว่าท่านผู้เจริญเพราะอัตตนี้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมเพื่อเพลินอยู่ด้วยกามบุญคุณห้าฉะนั้นจึงเป็นอันว่าบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมอย่างยิ่งสมัมมาภเหล่าหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันธรรมอย่างยิ่งของสัตว์มีอยู่ด้วยประการอย่างนี้ยังไงบอกว่าสัมมาหรือพรามณ์อีกอย่างหนึ่งอัตตาที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญอัตตนี้มิได้บรรลุพระนิพพาน ปัจจุบันเป็นธรรมันยิ่งด้วยเหตุเท่านี้ข้อนั้นเพราะเหตุเพราะเหตุว่ากรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดากรรมเหล่านั้นแปรปวนเป็นอย่างอื่นจึงเกิดความโศความร่าไรลําพันธุ์ทุกโธมนัฏนี่นะครับแค้นใจท่านบูญเจริญเพราะอัตตานี้สงอาจจากกรรมสงังอาจจากอุโสรธรม ร, ธรมมรลุปถมฌานมีปิติเป็นต้นเนี่ยนะถามบอกว่าจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยเทวดาเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่นิพพานแล้วความสุขในเทวดาชั้นต่ําๆไม่ใช่นิพพานว่างั้น ต้องความสุขในปฐมฌานดิความสุขในปฐมฌานต่างหากที่เป็นทิฏฐธรรมนิพพานเหมือนกันไอ้นั้นเขาเข้าใจถูกไอ้กลุ่มนั้นเข้าใจถูกไม่ใช่อันนี้เป็นกลุ่มเห็นผิดไปเห็นพวกปฐมฌานเป็นต้นเป็นนิพพานเนี่ยไปเห็นฌานเหล่านี้เป็นนิพพานเนี่ยอันนั้นอีกอย่างอันนั้นอีกอย่างแล้วก็ไปเห็นอรูปฌานเป็นแล้วไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นนิพพานฉะนั้นพระพุทธเจ้ารู้อะไร รู้ความเกิดรู้คุณรู้ความเกิดความดับรู้คุณรู้โทษแห่งเวทนาทั้งหลายและเห็นอุบายเครื่องสละต่อพระพุทธเจ้าเห็นเหตุเกิดไหมเห็นเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แล้วก็เห็นความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะอวิชชาตันหาเมื่ออวิชชาตันหากรรมเหล่านี้มีอยู่อันนี้เป็นเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนะฮะเช่นว่า เหตุเกิดของเวทนาเนี่ยเพราะผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาก็เกิดเพราะวิชาเกิดเวทนาก็เกิดเยเพราะเห็นไหมถ้ารักอะไรเงี้ยเพราะกรรมเกิดเวทนาก็เกิดแล้วเพราะอะไรเพราะผัสสะเป็นต้นเนี่ยถ้าในกรณีอย่างนี้ก็เเหตุเกิดและถ้าหากว่าอวิชาก็ดีตัณหาก็ดีกรรมก็ดีผัสสะก็ดีเนี่ยดับเวทนาเหล่านั้นก็ดับได้อย่างท้าววนนิพุทธเจ้าเห็นเหตุเกิดและความดับและเห็นคุณของเวทนาไหมเห็น ใช่ไมการสุขเวทนาในในในมนุษย์สุขเวทนาในในเทวดาสุขเวทนาในในพรหมอรูปพรหมทั้งหลายเนี่ยไอเวทนาที่ประณีตเหล่า น, นั้นพระเจ้าเจ้าเห็นเน่ยนะเขาเรียกว่าเห็นคุณของเวทนาและโทษของเวทนาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวหวีเนี่ยพระเจ้าเจ้าก็เห็นโทษและพระพุทธเจา้าก็สลัดออกจากจากเวทนาเหล่านั้นได้โดยอุบายเป็นเครื่องสลัดออกคืนนิสระาอยเงี้ยถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นเหตุ เห็นความดับเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นคุณเห็นโทษเห็นอุบายเป็นเครื่องสรัดออกของเวทนาเหล่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ยึดมั่นพระเจ้าเห็นตามความเป็นจริงจึงไม่ยึดมั่นแล้วก็จึงหลุดพ้นจริงๆทําเหล่านี้ลึกซึ้งเนื้อว่างั้นนะลึกซึ้งเห็นได้ยากฐานะของผู้ถือทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราใดมีวาท้ว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาโรคเที่ยงด้วยวัตถุสี่ประการข้อนั้น เป็นความเข้าใจของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความเสน่หาเป็นความดิ้นรนของผู้มีตัณหาเท่านั้นนั่นกลุ่มหนึ่งไอ้ความดิ้นรนเนี่ยด้วยตัณหาฉะนั้นลักษณะการเสน่หาแล้วก็ดิ้นรนตามความเห็นของตนเองเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าลักษณะของการดิ้นรนเนี่ยหนึ่งดิ้นรนด้วยตัณหาสองดิ้นรนด้วยทิฏฐีสาดิ้นรนด้วยความกลัวสี่ดิ้นรนดิ้นรนด้วยยานยานะยานะ ใ น, นกลุ่มที่ดิ้นรนด้วยตัณหาดิ้นรนด้วยตัณหาเช่นความอยากความต้องการต่างๆที่อยากจะไปเกิดเป็นโน้นเป็นนี่เป็นต้นเนี่ยนะก็ดินน้นรนแล้วก็ทํากรรมกันต่อไปนี่กลุ่มนี้คื อ, อคดิ้นรนเพราะตัณหาไอ้ดิ้นรนเพราะความกลัวกลัวภัยทั้งหลายกลัวชาติภัยชาลาภัยมรณะภัยความโศก ค, ความร่ําไรลําพันธ์ลกลัวโรคร้ายต่างๆก็ดิ้นรนเพราะความกลัวส่วอีกกลุ่มหนึ่งคือดิ้นรนด้วยทิฏฐิ พอมีความเห็นตามทิฏฐิหกสกลุ่มนี้ดิ้นรนไหมไอ้ลัฐที่หกสิบสนี่ดินน้นรนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือดิ้นรนด้วยพยานของพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมแล้วเนี่ยเราจะดิ้ น, นรนว่าะอะไรฟังพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าบอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็ดิ้นรนปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อทําไม่รู้แจ้งในธรรมที่ยังไม่รู้เนี่ย เพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ความเกิดความดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายเป็นเครื่องสัดออกของขันอาญาตะและธาตุเหล่านั้นอย่างเนี้ยถ้าปฏิบัติถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียวกว่าฟังพระสัตย์ทำเป็นอย่างดีแล้วก็ดิ้นรนเพราะพยานก็ขอให้พวกเราดิ้นรนเงินเพราะพยานนะก็อย่าไปดิ้นรนด้วยความกลัวด้วยตั้หาด้วยทิฏฐิถ้างั้นเสียหายนยะท่านดิ้นรนเพราะอะไร <c oughs> ดิ้นรนเรียนเพราะดิ้นรนเพราะอะไร มาศึกษาพระธรรมเนี่ยเวลาศึกษาพระธรรมจะดิ้นรนเพราะกลัวดิ้นรนเพราะตัณหาดิ้นรนทิฏฐิด้วยทิฏฐิหรือดิ้นรนเพราะพะยานดิ้นรนเพราะพะยานของพระพุทธเจ้านี่จะดีคือฟั ง, รงรธร ร, ร, ม ร, ร, ธรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาปรารถนาจะจะรู้พระธรรมคําสอนรู้พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะเขาถึงบอกบอกว่า <c oughs> ทิฏฐิเนี่ยชื่อว่าฐานะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิแม้เหตุแห่งทิฏฐิทั้งหลายที่ชี้ว่าฐานนนเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหมือนกันท่านภาษารีบุตรกล่าวไว้บอกฐานน่นเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิถามมีอะไรอะไรเป็นที่ตั้งของทิฏฐิทั้งหลายขันโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งของทิฏฐิไหมเป็นอวิชาเป็นที่ตั้งของทิฏฐิใช่ไหมเพราะวิชาปิดแล้วก็ทําให้ทิฏฐิเกิดใช่ไหมผัสสะ สัญญาวิตกอโยนิโสมนัสิการปราปะมิตรการฟังธรรมจากคนอื่นแต่และอย่างเป็นที่ตั้งของมิชฉาทิฐิทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขันเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยอธิว่าเป็นสมูธฐานเป็นความเกิดขึ้นแห่งทิฐิทั้งหลายถามว่าแท้จะเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจในไหนเข้าใจในขันนะทีนี้ฐานะเป็นที่ตั้งของทิฐิเนี่ยถามอาวิชาเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุทําให้ทิฐิบริบูรณ์ทําให้ทิฐิจเจริญงอกงาม อวิชาผัสสนะน่ะความกระทบนี่แนหะการประชุมกันของอะไรระหว่างรูปารมณ์จากขูวิญญาณแล้วก็จากขู่菩萨สามอย่างประชุมกันเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดทิฏฐิมไหมว่าอิทิผัสสะก็ยังเป็นปัจจัยเป็นที่ตั้งของทิฐิที่ผิดพลาดได้แล้วประการต่อมาก็มีอะไรบ้างล่ะสัญญาความจำใช่ไหมพวกมิจฉาวิตกทั้งหลายเนี่ย พยาบาทวิตกกามมาวิตกวิหิงสาวิตกเป็นที่ตั้งของทิจฐาทิฏฐิไหมเป็นประการต่อมาก็คืออโยนิโสมานัสิการการพิจารณาโดยอุบายที่ไม่แยบคลายก็เป็นที่ตั้งของทิฏฐิเป็นเหตุไงตาประมิตรล่ะครอบคนพานล่ะเป็นที่ตั้งของทิฏฐิไหมเป็นแล้วนะถ้างั้นก็ห่างกัไว้นะฟังธรรมจากคนอื่นที่ไม่ใช่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของ มิจ่าทิฏฐิโดยแท้ต้องให้โดยดีๆนะใช่ไหมใส่ชุดขาวกล่าวว่าทำต้องระวังไว้วก่อนนะั้นใส่ชุดเหลืองกล่าวว่าทำเนี่ยต้องระวังไว้วใช่พระสัตว์ทำไหมมิจ่าทิฏฐิก็ตัวตัณหาตัณหานั่นแหละเป็นเหตุใกล้เพราะตัณหามีตัณหาเป็นเหตุใกล้อยู่แล้วอวิชาก็เป็นเหตุไกลหน่อยนี่เป็นอย่างนี้เอ๊นี่กี่โมงเลยเนี่ยนี่กี่โมงแล้ว นี่คือกลุ่มของทิฏฐินะสรุปออกมาก็คือว่าไอ้ตรงนี้ไปท่องกันก็แล้วกันวันนี้อันนี้ก็ไปไปไปศึกษากันให้ดีนะในบรรดาอันตักคาหิกาทิฏฐิสิบประการก็สัสโตโรโกเห็นว่าโลกเที่ยงอะสัสโตโรโกเห็นว่าโลกไม่เที่ยงอันตาวาโลโกโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดนี่นะ ตังชีวงังตังสตรีลังชีวะและสรีระเป็นอันเดียวกันชีวะชีวะกลุ่มนี้คือเห็นอัตตาเนะี่ยชีวะนี่คืออัตตาเนะีเห็นโดยความเป็นชีวะกับสรีระเน่ยเป็นอัตตาเป็นอันเดียวกันบางทีก็เป็นคนละอันบ้างโหติททะทะตทัาคาโตป ร, รังมรณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายหลังงมรณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วไม่เกิดต่อไปอีกโหติจันนะโหติ ตถาคตปรังมรณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีเนี่ยเนววโหตินนาโหติตถาคตปรังมรณาสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้ า, ตาแต่ตายแตกย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้นี่เป็นกลุ่มของอันตักคาหิกะทิธิเห็นว่าเที่ยงเป็นต้นไอ้กลุ่มนี้คือเห็นแน่นอนเ น, น, น่ยเห็นว่าเที่ยงแล้วก็เห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ย น่ๆในกลุ่มในลักษณะอย่างนี้โดยสรุปออกมาก็คือว่ากลุ่มพวก ส, สัตตตถิทิมีสเอกัดเอกัดจสสาสัตตตถิทิมีสอันตาติกะทิทิก็คือมีสอมราวิเขปาทิฐิก็4อาทิต จ, จ่สมุปปณะทิฐิก็4 ส, สัญญีวาทะ16อสัญยีวาทะอีก8เนวสัญยีนาสัญยีวาทะ8อุเฉทวาทะเจนดนิทิถฐาธรรมนิพพานก็เป็น ห้ารวมเป็นเท่าไรแล้วนะหกใช่หเออถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่าก็จะเห็นนะบอกว่าในปฏิจจสมุปบาทถามบอกว่าในกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทนะคนเหล่านี้ไม่มีปีชาสามารถจำแนกในอภิธรรมโดยเฉพาะในสมันตะปัฏฐานนะนะเช่นสติปัฏฐานอริยมรรคมีองค์8ดขันอาญขันห้าาตนา12ท่า18สัจจะสีอินทรีย์22 ว่าไงหรือว่ากลุ่มอาหารเอย่ยผัสสะเอยเวทนาสัญญาเจตนาจิตเหล่านี้นะในธรรมเหล่านั้นชื่อว่ากามาวจรธรรมเท่านี้ชื่อว่ารูปาวจรธรรมที่เป็นปริยาปัณาธรรมเท่านี้ชื่อว่าอารูปาวจรซึ่งเป็นอปริยาปัธณธรรมเท่านี้เนะี่ยนี้เป็นโลกียธรรมนี้หรือเป็นโล ก, กุติละธรรมในกลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถที่จะแจแกแจงได้นะกลุ่มพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนะี่ย เรื่องนี้ไม่ใช่วิสัยของผู้อื่นแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าของตถาคตเท่านั้นที่จะสามารถจำแนกแจกแจงได้อย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นน่ยทั้งหลายทรงถึงฐานะพระเจ้าถึงฐานะอะไรทรงกําหนดธรรมมันเป็นภูมิพิเศษแล้วก็บรื้อนะีทรงบรื้อจึงเป็นการยิ่งใหญ่ปีชายานก็ติดตามมาประกอบด้วยสุญญาตาอาวิชชานี้ใดเป็นปัจจัยแก่สังขารโดยอาการเก้าอย่าง ก้าวอย่างอะไรเมื่อเช้าว่างนีอวิชานั้นเป็นปัจจัยโดยภาวะที่เกิดขึ้นให้อะไรเกิดขึ้นให้สังขารเป็นต้นเกิดขึ้นให้ทุกเกิดขึ้นจะไม่ให้วัตตะเจริญเนี่ยเฉะนั้นอวิชานี่อยู่ในฐานะที่ทําเป็นวัตตสีสะไหมเป็นวัตตะสีสะเป็นหัวของสังสารวัตรเป็นหัวของวัตะะวตะทั้งหลายนีเป็นศีสะของวัตตะทั้งหลาย เป็นศีรษะของกรรมวัฏกิเลสวัฏและก็วิปากวตฏเป็นเป็นศีรษะของสังสารวัฏทั้งหลายว่าไงเป็นปัจจัยโดยสภาวะที่เป็นนิมิตถามว่าเป็นเครื่องหมายไหมอวิชาเป็นนิมิตเป็นปัจจัยโดยความประมวลมาถามว่าอวิชาประมวลอะไรให้ประมวลเอาสังขารเป็นต้นมาให้ใช่ไหมตัวอวิชาเป็นตัวประมวลเบ็ดเสร็จเป็นหัวขบวนเลยว่าไนเด้อ และโดยความประกอบร่วมโดยความเป็นความกังวลเป็นสมุทัยเป็นเหตุโดยความอวิชชาเป็นปัจจัยไหมเป็นหรือไม่เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยไหมเป็นอะไรเป็นเหตุตัวปัจจัยเป็นเป็นเหตุตัวปัจจัยใช่ไหมอวิชชาเป็นเหตุตัวปัจจัยแล้วยังได้ปัจจัยอื่นไหมอารามณะปัจจัยได้ไหมได้อานันตระปัจจัยก็ได้เห็นไหม เ ป, ปปปเป็นปัจจุบุปนิสยปัจจัยก็ได้ฉะนั้นอวิชาจึงเป็นปัจจัยโดยประการต่างๆเป็นในกลุ่มของศ า, าชาติชาติสินะือรนารมณชาติเท่าไหรสาอานันตราชาตอีก6ในชะ่ไหมอนันตราชัมนานันตรานันตรรปนิสยาณติวิคตาอาเสวะนะนะนะและยังได้เป็นปัจจุบุปนิสยปัจจัยหรือปัจจุบุปนิสยชาติฉะนั้นอวิชาอยู่ในฐานนะเป็นปัจจัยจริงๆ มากมายยิงๆฉะนั้นอวิชาจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นดังประการที่ได้กล่าวมานะนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าที่ตั้งของทิฏฐิทั้งหลายนะที่ตั้งของทิฏฐิทั้งหลายเนะี่ยอวิชาเป็นปัจจัยโดยอาการก้าวโดยอาการก้าวดังที่ได้กล่าวเ้าถึงบอกบอกว่าปัญญาในการกําหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณ ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะอวิชาเป็นที่ตั้งของความเกิดขึ้นของสังขารพิจารณาอย่างนี้แล้วแต่นี้ก็เริ่มเริ่มมองเห็นคําว่าทิฏฐุปาทานแล้วเนะี่ยสีรพทิฏฐุปาทานศีรพตุปาทานในหลักก็อธิบายไว้เยอะอัตวาทุปาทานลองดูในนี้หน่อยตัวอัตวาทุปาทานได้แก่อัตตาทิฐิหรือสักยทิฐิยึดมั่นในขันห้าโอเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนนี่นะ มีอยู่ประจำในสัตว์ทุกตัวตนเหมือนกันด้วยอาการพิเศษยี่สิบอย่าง น, นโดยพิสดารสองร้อยห้าสิบหกเนี่ยนะเขาคิดยังไงสอง้อยห้าสิหกอ่ะักายทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยสายรูปขันเป็นอารมณ์มีกี่อย่างมีสี่อย่างหรือร้อยสิบสองร้อยสิบสองนั้นเอาสี่ไปคูณคูณรูปขันซะนะที่จริงในเวลายึดเนี่ยนะเขายึดรูปขันยี่ปดเขา เ, ข า, เ, ข า, เขาคิดยังไงย่มอมคิดยังไง อาัทวีธาตุตั้งแล้วก็ยึดสี่อย่างอาปัทวีธาตุตั้งแล้วก็ยึดสี่อย่างะเช่นปัทวีอั ต, ตโตสมานุปัสสติเห็นว่าปัทวีธาต์เป็นเราเราเป็นปัทวีธาต์่ น, นกลุ่มนึงหรือว่ากลุ่มปัทวีที่บอกว่าปัทวีปะวันตังวะอั ต, ตานังบอกเห็นเห็นว่าเรามีอยู่ในปัทวีใช่หไหมแล้วก็ อัตตานิวาปทวีเนี่ยนะปทวีเนะี่ยเห็นว่าปทวีอยู่ในเรารู้ปัตส밍เนีรู้ปัตส ง, นะงใช่ไหมใช่ไหมวาอัตที่จริงว่าปทวีปัตสงก็ได้นะวาอัตตานังเนะี่ยบอกว่าเราอยู่ในปทวีอย่างนี้เป็นต้นนะในอาปโปเตโช ว, วาโยเป็นต้นเนะ่ยปทวีก็มีสี่อาปโปก็มีสี่วาโยก็มีสี่ใช่ไหมไล่ไปตามลําดับ แต่จริงๆบางแห่งก็บอกเอ๊ะไอ้ลักษณะรูปออกมาได้ไงอุปัจจญาสัน ต, ติชราตาและนิจจตากล่าว้ดยรวมก็แล้วกันนะนะกล่าวยรวมก็เลยเอามาร้อยสิบสองเลยสรุปก็คือรูป28คูณด้วยอาการ4ี่อย่างของอัตอตวาธุปาทานอัตตวาธุปาทานมีอาการสี่ในในดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุเป็นต้นเน่ยนะ นัน่นนะก็ก็ก็พิจารณาเวทนาอนเวทนาก็มีอาการสี่เหมือนกันก็เป็นเจ็ดบสคูณสี่นะเป็นเป็นเท่าไหร่นะอ๋อขออภยนนะออัยสิบปดนะนะอเวทนาสิบสามออขอเอเวทนาสิบแปดขออภยัยเวทนามาสิบแปได้งไงคิดยังไงอเวทนาได้สิบปสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคูณอะไรคูณอารมณ์หรูปอารมณ์ทาารมกัณฑอารมณ์ลัสรลมบุตรตาอารมณ์ธรรมอ า, มารมณ์ได้สิบแปด 18คูณอะไรคูณ4ี่เท่ากับเจบสนะสัญญาขันแล้วสัญญาขันเนี่ยมีเท่าไหร่สัญญาหนะรูปะสัญญาสัทธาสัญญาคันธสัญญาละสัญญาโพธพาสัญญาแล้วก็ธรรมะสัญญาของเงี้ยนะสัญญาหเนี่ยนะสัญญาหคูณคูณคูณ4ี่เท่ากับ24ได้ยังได้แล้วนะสังขารขันมีสี่เจตนาเจตนา รูปะสัญเจตนาสัทธะสัญเจตนาคันทะสัญเจตนาเป็นต้นนี่ยนะเจตนาหกเจตนา6กคูณสี่เท่ากับ24สังขาระขันธ์สีว่างั้นน่ยวิญญาณขันธ์ก็ยังมีหกจักคูวิญญาณโสตวิญญาณการวิญญาณชิวหาวญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณคูณสี่คูณอาการสี่ก็ได้ยี่สี่สรุปแล้วก็คือหนึ่ง้ยิบสอพอดีไหมเนี่ยเออทั้งหมดเ <12 6 S 1> ท่าไหร่ขอไป2องห้าหกพอดีเลย นี่สองอห้าสิบหกด้วยอาการอย่างนี้โอ้ยสัตว์โลกหนานแน่นอย่างนี้แล้วถึงออกออกจากอัตวาทุบาทานไม่ได้นะเห็นอะไรยืดหมดยืดหมดโดยสรุปก็คือว่าโทษของอะไรเนี่ยฮะโทษของอะไรอ่ะทําไมจึงเกิดอัตวาทุบาทานโทษของการไม่ไม่ไม่รอบรู้ไม่กําหนดรู้เนี่ยโทษการไม่กําหนดรู้ไม่รอบรู้ด้วยอะไรไม่รอบรู้ด้วยอะไรแจ พวกกลุ่มนี้กลุ่มไม่มีปริญญาสามไม่มียาตัปริญญาตีระนาปริญญาและปะหานาปริญญาเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีปริญญานะเนี่ยในที่สุดจริงๆก็พอพูดไปพูดมาเน่ยแหละถามว่าไอ้คาว่ากลุ่มนี้ไม่มีปริญญานั่นคือใครเรามีปริญญาอย่งพยายามทําให้เกิดขึ้นยังไงเอายาตัปริญญาสักหน่อยเนี่ยโทษของการไม่กําหนดรู้นะ โอ้พอไม่กําหนดรู้นี่อัตวาทุปาทานเกิดหมดเลยแท้แท้ ท, ที่จริงแท้ที่จริงเนี่ยนะอาการการที่ว่าถ้าเรามีแต่ถ้าหากฟังพระสัตว์ทำเป็นอย่างดีเป็นกัลยาณปูตุชนนะกลุ่มพวกนี้ก็พอจะละได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็พอจะตั้งอัธยาศัยได้ถูกพอจะน้อมตามพระพุทธเจ้าได้นะกลุ่มนี้นะแต่ถ้ากลุ่มไม่ใช่กัลยาณปุตุชนเนี่ยเสียหายนะ ท่านเคยสังเกตไหมตรงนี้ศึกษาเคยสังเกตแบบนี้ไหมสังเกตนะท่านพยายามสังเกตให้ได้อย่างนี้แล้วก็จะได้จําแนกเหตวิธีคิดตรงนี้ก็ไม่ยากนะไม่ยากในการที่ทําความเข้าใจเพราะว่าอกรณีที่ท่านไปอุปมากรณีว่าเรากับร่างกายเปน็นนันเดียวกันเหมือนกับที่เห็นเปลวไฟกับแสงไฟฉะนั้นอะอย่างนั้นก็เป็นข้ออุปมาเนะีเป็นข้ออุปมานี่คือกลุ่มของอุปาทานนี่อุปาทานเนี่ยนะ ถ้าถ้าไปพิจารณาที่จริงที่จริงพอพูดเรื่องอุปาทานตรงเนี้ค่อนข้างพูดมาเยอะจริงๆนะพูดมาเยอะน่าจะน่าจะน่าจะเข้าใจพอสมควรอ่ะดูอัตวาทุ ป, ปาทานต่ออีกนิดหน่อยนะจริงๆแล้วที่พูดเข้าไว้เนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของความสําคัญมั่นหมายในเกี่ยวในเรื่องของอัตวาทุ ป, ปาทานได้แก่อัตตทิฏฐิหรือสักยะทิฏฐิที่ยึดมั่นในขันห่าว่าเป็น ตัวเป็นตนเนี่ยนะไอการยึดมั่นขันห้าด้วยความเป็นตัวเป็นตนอัตวาทุปาทานเนี่ยวาทะตัวนั้นเน่ยเป็นผูเน้เป็นผู้ว่ากล่าวใช่ไหมหรือสักกายทิฏฐิเป็นทิฏฐิสามันไหมใช่มีอยู่ประจำอยู่ทุกบุคคลเหมือนกันเพราะไอการสําคัญเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเชื่อไหมว่าพระโสดาบันเหล่านั้นท่านไม่สําคัญด้วยอํานาจของสักกายทิฏฐิแล้ว ฉะนั้นพระโสดาบันเขาจะไม่สำคัญมั่นหมายในดินที่ผิดพลาดจะไม่สำคัญดินน้ำไฟและลมเป็ผิดพลาดเด็ดขาดใช่ถ้าหากว่าเราไปดูในกลุ่มของไอธาดลมดิไอความผิดพลาดที่บอกว่าไอวาย ο, วายโยเนี่ยนะลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลงลมที่พัดลงเบื้องตม่มลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมที่แผ่ไปส่น้นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมมีพิษ ดุจสาตราลมมีพิษดุจคมมีดลมมีพิษดุจการบัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกพึงทราบว่าวาโยธาตภายในและลมที่ท่านกล่าวไว้นั้นในบรรดาวาโยธาสองอย่างนั้นวาโยธาตภายในภายนอกเป็นไนบอกว่าลมที่กระพือพัดเคลื่อนไหวในภายนอกได้แก่วาโยธาตภายนอกของรูปที่ไม่มีใจครองลมจากทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ลมปุ่น ลมไม่มีปุ่นลมหนาวลมร้อนลมอ่อนลมแรงลมหัวด้วนลมที่เกิดจากนกบินเนี่ยลมที่เกิดจากครุฑบินลมที่เกิดจากการพัดวีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวายโยธาตภายนอกก็บอกงั้นทีนี้กลุ่มสําคัญผมขนเล็บฟันหนังปะทวีธาตินอาโปธาต้น้ําเตโชธาตไฟและวาโยธาลมเนี่ยนะพ่อตาบอกว่าหาละในก็ว่าหาละใน ถ้าเราจะกำจัดความหลงความไม่เข้าใจในพุทธพจน์เนี่ยนะหาระเนี่ยความกำจัดความหลงความโง่งความไม่เข้าใจในพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเกี่ยวในเรื่องของคําว่าความเป็นคนมีผู้มีอัตวาทุปาทานในดินน้ำไฟลมเนี่ยนะบอกว่าท่านกล่าวบอกว่าเมื่อกล่าวถึงธรรมอีกอย่างหนึ่งด้วยธรรมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการกล่าวธรรมทุกอย่างมีลักษณะอย่างเดียวกัน ฉะนั้นในหาราในท่านถึงกล่าวบอกว่าบอกว่ามหาภูทรูปสีเนี่ยตัวนั้นถ้ากลุ่มในลักษณะบอกว่าถ้าไปยึดมั่นปัทวีใช่ไหมด้วยความเป็นด้วยเห็นว่าเป็นเราเราเป็นปัทวีปัทวีอยู่ในเราเราอยู่ในปัทวีอย่างเงี้ยถึงแม้ไม่ได้กล่าวรูปอื่นในในยติหาในในลักษณะหราเนี่ยในหราในเนี่ยนะ ลักษณะหาะคือธรรมะที่มีลักษณะต่างกันธรรมะที่มีลักษณะเหมือนกันเห็นไหมว่าปัทวีอย่างไหลอาโปเตโชวาโยใช่ั้นะการการไล่ในรูป28ปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารเป็นต้นก็ดีนั้ น, นก็ให้รู้ว่าการไปพิจารณาให้เห็นว่ากรณีที่ว่าอย่าไปสำคัญน่ยนะ อย่าไปสำคัญวาโยผิดพลาดอย่าไปสำคัญวาโยผิดพลาดอย่าไปสำคัญลัคณาวาโยผิดพลาดอย่าไปสาคัญอารามณะวาโยซาสัมภารวาโยและส ม, มุิวาโยผิดพลาดตรงน้ถ้าไปสำคัญผิดพลาดในที่สุดจริ ง, รงๆเนี่ยนะก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลย น, นไม่รู้ความเป็นจริงของปัทวีอาโปโตเตโช คือไปพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไงโดยเป็นสำคัญปัทวีอาโปเตโชวาโยพิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตาอยู่ในรูปเวทนาในรูปเป็นต้นเนี่ยนะก็สําคัญปัทวีคืออาโปเตโชวาโยย่อมพิจารณาบอกคือไม่เห็นนะไม่เห็นตามความเป็นจริงนั่นเนีกลุ่มเหล่านี้ในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นถามว่าบางกลุ่มก็เห็นโดยความเป็นสัตตติฏฐิ บางกลุ่มก็เห็นโดยความเป็นอุเฉทาทิฏฐิบางกลุ่มก็เห็นโดยความเป็นอัตตาทิฏฐิหรือสักยะทิฏฐิแต่โดยโด ย, โดยมากอัตตาทิฏฐิสักยะทิฏฐินี้คุมกืหมดเลยครุมหมดเลยเว้นพระรยาบุคคลถ้ากายานปุปุชนก็บางครัง้งบางคร า, า, าวก็กันทิฏฐิเหล่านี้ได้ก็ว่างั้นข้าว่าว่า พระพุทธเจ้าตรัสความสําคัญมีสังขารเป็นต้นโดยความรูปประธานแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดถูกบัญญัติขึ้นเพราะอาศัยสังขารทั้งหลายเพราะเหตุที่ปุตุชนทําความสําคัญแม้ในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อชี้แสดงสัตว์เหล่านั้นอยู่จึงตรัส บ, บอกว่าให้สังเกตดูนะบอกว่าพอไปสําคัญดินผิดภาดก็ไปสําคัญขันห้าผิดเขาเรียกพูดเนี่ ย, ยใช้ในศสาวว่าขันห้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาพิจารณาดูว่านี้เป็นพูดเนี่ยคำว่าพูดในที่นั้นเป็นชื่อของขันห้านะเช่นว่าไปสําคัญว่าธาตุสคือดินน้ำไฟลมเป็นต้นเนี่ยนะโดยความเป็นขันห่าโดยความเป็นสัตว์โดยความเป็นพูดเป็นต้นเราเนี้ยนะเออถ้ามาามองอย่างนี้บอกว่าไอการสําคัญโดยตัณหาโดยมานะ้วยทิฏฐิเนี่ยบอกว่า อาศัยอย่างไงบอกว่าเขาเห็นครหาบดีบุตรของครหาบดีผู้เพียบพร้อมด้วยกามาคุณทั้งห้าย่อมกําหนัดคือย่อมกําหนัดพูดเหล่านั้นแม้ว่าย่อมกําหนัดแม้เพื่อได้ยินได้ดมได้ริมได้ถูกต้องและได้ทราบปุถุชนย่อมสําคัญในพูดทั้งหลายโดยความสําคัญด้วยอํานาจแห่งตันหาถามบอกว่าทั้งจริงไปสําคัญดินผิดใช่ไหมพอสําคัญดินผิดก็ไปบอกเห็นบุตรของครหาบดีบ้างหรือ ไปเห็นข้อหบดีบ้างผู้เพียบพร้อมด้วยกามาคุณเนะเพียบพร้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอไปสําคัญในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าสําคัญผิดอีกแล้วด้วยตันหาอีกแล้วชื่นชมอะไรชื่นชมดินชื่นชมน้ําชื่นชมไฟชื่นชมลมหรือว่าชื่นชมรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเนี่ยลักษณะนี้ชื่นชมด้วยนาฏของตามตันหาแล้วก็ตั้งจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้พอไปเห็นปุ๊บ ตั้งความรู้สึกไว้ด้วยตัณหาแล้วเออสิ่งนี้เรายังไม่ได้โดยในพิธีทำเช่นไหนเราพึงจะความเป็นสาหายของคัติยะมาสานเอ๊ะทำยังไงเราจะใกล้ชิดคนกลุ่มนี้เห็นไหมว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะใกล้ชิดดินก้อนเนี้ยดินน้ําไฟลมขันขันนี้พูดพูดเนี้ยพอไปพิจารณาอย่างนั้นปุถุชนย่อมสําคัญในผู้ทั้งหลายโดยด้วยอํานาจของตัณหาโดยประการอย่างนี้พอสําคัญผิดพลาดก็เข้าใกล้ชิดเข้าใกล้ชิด กลุ่มบุคคลประเภทนั้นอย่างหนึ่งทีนี้อาศัยสมบัติและวิบัติของตนและของพูดทั้งหลายปุตุชนย่อมถือดีถือเขาเอาละทีนี้เริ่มถือมาว่าแท้ที่จริงก็คือดินน้ําไฟลมที่สมมุติว่าเป็นทรัพย์มันวิบัติหรืออาศัยดินน้ําไฟลมที่ภายในนี่นะลูกหลานเป็นต้นวิบัติหรือว่าถึงพร้อมบริบูรณ์งดงามเป็นต้นเหล่านี้ปุตุชนสําคัญพูดชนิดใดชนิดหนึ่งในพูดทั้งหลายว่า เลวใช่ไหสำคัญตนว่าเร็วกว่าผู้ชนิดใดชนิดหนึ่งสำคัญผู้ชนิดใดชนิดหนึ่งดีกว่าตนแท้จริงไปสำคัญะไ ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยอำนาจของไม่มานะเกิดนะเราพูดขันของเราตินน้ำไฟลมของเราแย่กว่าเขาเขาดีกว่าเราหรือสำคัญตนว่าดีกว่าใช่ไหมเออบางทีก็ไปเคยไหมที่บอกว่า เออถึงเราจะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่เราก็ดีกว่าคนไม่ได้เรียนนะสําคัญดินน้ําไปลมที่มาปังว่าทําผิดอีกแล้วว่ากันนะไปสําคัญว่าดีกว่าคนอื่นที่โอ้ยดินน้ําไปลมนั้นประมาทมัวเมาสู้ดินน้าไปลมนี้ไม่ได้ถ้าจะพูดก็พูดอย่างเงี้ยแต่จริงไปสําคัญมั่นหมายด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาใช่ไหมแค่บุคคลบางคนในโลกก็สําคัญพูดว่าเสมอตอนเองว่าเออเราไปเรียนธรรมะเออเนี่ยตอนนี้เรา เรามีคนเสมอกับเราและได้เรียนว่าทํากันแล้วอย่างสมมุติอย่างเงี้ยเนี่ยก็ไปสาคัญพูดเนี่ยเนี่ยสำคัญไอ้ดินน้ําไปลมเป็นต้นเนี่ยโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนะว่าเสมอเหมือนกันกันกบตนทีนี้ไปพิจารณาอย่างนี้โดยชาติเป็นต้นหรือโดยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นแล้วก็กลับมาสําคัญตนว่าดีกว่าเขาสําคัญตนว่าเร็วกว่าเขาสําคัญตนว่าเป็น เสมอเขานี่เป็นมานาติมานะนะปุตตชนย่อมสำคัญในผู้ทั้งหลายนะด้วยมานะลักษณะด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้ปุตุชนย่อมสำคัญอยู่ว่าไอ้ขันหานี่นะเที่ยงโรเวธนาสัญญาสังขารวิญญ า, าเนี่ยเที่ยงยั่งยืนแน่นอนมีธรรมดาไม่แปรปวนหรือสัตว์ทั้งปวงเนี่ยปานะปานะทั้งปวงสัตว์ที่มีลมปานทั้งปวงเนี่ยนะพูดทั้งปวงชีวะทั้งปวงไม่มีอานาจ ไม่มีกําลังไม่มีความเพียรผู้น้อมไปสู่ภาวะประสบโชคร้ายโชคดีสเสวยสุขทุกขในอภิชาติพราะั้นชื่อว่าย่อมสําคัญความสําคัญโดยสําคัญด้วยอำนาจของทิฏฐิเออถ้าหากมองอย่างนี้บอกว่าเออท่านผู้นี้โชคดีท่านผู้นี้โชคร้ายไอเป็นสำคัญมั่นหมายในลักษณะนี้ก็ เ, เรียกว่าแล้วก็สเสวยสุขและทุกขในความสําคัญนั้นๆ ชื่อว่าสําคัญด้วยอํานาจของความเห็นผิดไปเห็นผิดนี่ยไปเห็นผิดว่าโอ้ยพูดนี้สวยความสุขเนี่ยดินน้ําไฟลมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของท่านพูกนี้ไปเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลที่โอ้กาลังได้รับความสุขเห็นอย่างเงี้ยนะกาลังได้รับความสุขหรือเกี่ยวในเรื่องของโชคดีโชคดีแล้วก็บอกว่าโอ้เที่ยงบงังมีกําลังบงังไม่มีกําลังบงังทีเราไปเข้าใจงั้นไหม พราะวันนี้ไม่ค่อยมีกําลังเลยเหงีเห็นผิดทำไมไปเห็นในลักษณะอย่างนี้คือสําคัญผิดพลาดเนี่ทีนี้ถ้าหากว่าหวังเหล่าปุตตชนสําคัญในพูดทั้งหลายหวังความเกิดขึ้นแห่งตนหวังความเกิดสุขแก่ตนในพูดทั้งหลายปุตุชนย่อมสําคัญพูดทั้งหลายโดยความสําคัญเรื่องหน้าที่ตันหาอันนี้คือกลุ่มตันหาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าสําคัญพูดทั้งหลายดีสําคัญพูดตัวเสมอเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นมานณะ ถ้าเที่ยงยั่งยืนไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรปลวนอย่างนี้เป็นต้นนะนะอย่างนี้เป็นสําคัญด้วยอํานาจของทิฏฐิลักษณะของอํานาจของทิฏฐิของปุถุชนที่สําคัญเนี่ยนะอย่างความสเสน่หาความมาน่ายเกิดขึ้นในวัตถุที่สําคัญลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าด้วยอํานาจของตันหาและก็ทิฏฐิไอตัวตันหาและทิฏฐิบางทีก็ไปยึดให้สังเกตดูนะว่าถ้าไปยึดมั่นใน ในดินผิดพลาดนะไปมีอัตวาทุปาทานผิดพลาดปุ๊บในในดินน้ําไปลมที่เป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เคลื่อนย้ายดินน้ําไปลมที่ผิดพลาดทั้งเทวดาของพขมมันจะผิดพลาดหมดเลยทั้งดินภายในดินภายนอกเห็นไหมว่าความเข้าใจผิดที่เป็นอัตวาทุปาทานเนี่ยมันจะผิดพลาดไปหมดเลยเพราะความสําคัญมั่นหมายที่เป็นอัตวาทุปาทานเนี่ยนีเป็นอย่างนี้ การที่จะไปเข้าใจสมมุติเทพอุปติเทพหรือวิสุทธิเทพก็ผิดพลาดอีกแล้วนี่เป็นอย่างนี้มองเห็นไหมว่าถ้าจุดจุดแรกในขันนี่ผิดมันจะมองผิดไปหมดนี่นีเป็นอย่างงี้นะเอาเปิดต่อไปเอตันหาปัจจยาอุปาทานังได้ทรงข้อปัจจัยอย่างอย่างใช่ไหมเอาดูตันหาปั จ, จยาอุปาทานังนี้ตันหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานได้หน้าปัจจัยเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ฮะหน้าที่เท่าไหร่ นะ้อยสินะเอาไปดูหน่อยไปดูตันหาปัจยาอุปาทานังตันหาปัจยาอุปาทานังตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยังยังไม่ได้แสดงลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานประทัฐานของอุปาทานเลยนะลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานประทัดฐานของอุปาทานขหะณลัขนังมีการยึดไว้เป็นลักษณะอันนั้นคือลักษณะของอุปาทานนะมีการยึดไว้เป็นลักษณะ ประการต่อมาก็คืออมุลจนราสังมีการไม่ปล่อยกิจจรสนี่นะมีการไม่ปล่อยเป็นกิจเป็นกิ จ, จรสนะีไม่ยอมปล่อยและประการต่อมาก็คือว่าตันหาทันหัตตะทิฏฐิปัจจุปทานางังมีตันหาที่มีกําลังอย่างมั่นคงและมีความมินผิดโดยการปรากฏในปัญญาของบิด ท, ทั้งหลายนี่เป็นเหตุใกล้นะเออเป็นปัจจุปทานตันหาปัจจุปานังก็คือตันหาเป็นเหตุใกล้ นี่มีมีตันหาเป็นเหตุใกล้ถ้าถ้ามองอย่างนี้จะเริ่มเห็นนะว่าตันหาเนี่ยนะตันหาเป็นเหตุใกล้ของอุปาทานถ้าแสดงสงเคราะห์ปัจจัยเข้าในตันหาปัจจัยยาวปาทานังตันหาที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยช่วยประการแล้วอุปาทานที่เกิดหลังๆอันนี้ด้วยอํานาจของปกตูปนิสยปัจจัยยกตัวอย่างเช่นเช่นอะไรปกตูปนิสยปัจจัยเนี่ยตันหาที่เกิดก่อนๆ แล้ในที่สุดจริงๆตัณหาที่เกิดก่อนๆนั้นก็เป็นปัจจัยกับอุปาทานที่เกิดหลังๆใช่ไหมเป็นปัจจัยกับอุปาทานที่เกิดหลังๆตัณหาที่เกิดก่อนที่เป็นปัจจัยเกิดอุปาทานที่เกิดหลังๆนี่อำนาจอะไรปะกตูวปณิสยปัจจัยปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังอยู่ไหมให้สังเกตไหยว่ามีมีกําลังยังไงมีกําลังยังไงตัวตัณหาที่เกิดก่อนๆลักษณะของตัณหาที่เกิดก่อนตัณหาเป็นปัจจัยกิบอุปาทานเนี่ยนะ ตัณหาเป็นปัจจัยกวบาธานแรกเขาเรียกว่าตัณหาเป็นปัจจัยแกวปาธานแรกแม้ตัณหานี้เป็นปัจจัยเจ็ดก็มีใช่ไหมสามก็มีใช่ไหมเออเจ็ดก็มีแปดก็มีเนี่ยแล้วกับหนึ่งะทีนี้ตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยถ้าถามบ อ, อกว่ากามมตัณหาเป็นปัจจัยอย่างเดียวฉะนั้นไอ้คว่า กามตัญหาเป็นปัจจัยแก่การมุปาทานด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานและศีละพรตูปาทานด้วยด้วยอํานาจของปัจจุบันิเสยปัจจัยนี่ยด้วยอํานาจของปัจจกรณีถามบอกว่าการมุขเข้าไปอุปาทานสีใช่ไหมอุปาทานสีการมุปาทานทิฏฐุปาทานศีและพระตูปาทานและอัตวาทุปาทาน ตันหาที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กามุปาทานที่เกิดหลังๆได้อำนาจของปกะตูปนิสยปัจจัยเนี่ยได้อำนาจตูตันหาเป็นปัจจัยช่วยประกาศละแก่ทิฏฐุปาทานศีระประตูปาทานอัตตวาทุปาทานที่เกิดพร้อมกันกับตนอันนี้ได้อำนาจปัจจัย7กลุ่มนี้คือ7คืออะไรตัวตันหาเราไปดูในสาสตชาติชาติเล็กทีได้ไหมตันหาเป็นเหตุถูปัจจัยไงแล้วใช่ไหม โลภะเป็นเหตุปัจจัยโลภะเจสิกเน่ยเมื่อได้เหตุปัจจัยแล้วสาชาตตปัจจัยสาชาตนิสยสาชาตทีสาชาตอวิคตะปัจจัยที่เป็นสาชาตาชาติใหญ่มาก็เป็น5สาชาตาชาติกลางละ่ะสัมยุญตรปัจจัยได้แล้วก็อัญญามัญญปัจจัยได้อีกสองเป็นเป็น7ปัจจัยนะทีนี้ตัณหาที่เกิดก่อ น, อนเป็นปัจจัยช่วยวกาลกลักเดี๋ยวปาทานสาที่เหลือเว้นอุ กามุปาทานเพราะเป็นมาแล้วที่เกิดหลังๆนั้นด้านปัจจัยหนึ่งกันปะกตูปนิสยปัจจัยทีนี้พอพูดตรงนี้ที่ยอมจุรีบอกว่าตั้นหาขอไปอุปปาทานเนี่ยการมุปาทานทำไมไม่ได้แค่โลภะที่ในโลภะที่ติสามยุทธิจดีถามว่าในในคำพีวิพังในคำพีวิพังนะคำภีวิพังว่าไง คำพีวิพังบอกไว้ว่าอุปาทานเนี่ยในบรรดาอุปาทานเหล่านั้นตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานแรกคือเป็นปัจจัยกามมุมปาทานแล้วก็ตันหาแม้เป็นปัจจัยเจดอย่างบ้างแปดอย่างบ้างแก่อุปาทานสามที่เหลือเนี่ยนะในอุปาทานสี่แสดงในในนิเทศเนี่ยบอกด้วยอาการบอกว่ากามตันหาย่อมเป็นปัจจัยอย่างเดียวด้วย ด้วยอุปนิสัยปัจจัยแก่กรารมุปาทานแรกก็แปลว่าตัณหาเกิดก่อนๆถามไอ้ปันตัณหาที่เกิดก่อนๆเนี่ยนะตัณหาตรงนั้นเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อุปาทานแรกนั้นนะ่ยถามว่าอุปาทานยังไงบอกว่าชื่อว่าอุปาทานก็เหมือนโจรและจับบันพันท่าไว้ตัณหาอุปาทานเหล่านั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความมักน้อยและความสันโดษ ทำที่ยังมูลและเหตุแห่งทุกข์เพราะต้องแสวงหาและรักษาจึงเรียกว่าอุปาทานสาที่เหลือทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นตรงที่บอกว่าตัณหาขออภยัยอุปาทานเนี่ยมันได้แก่โลภในบรรดาอุปาทาน4นั้นถ้าบอกว่ากิเลสมีอารมณ์มากและเพราะกิเลสปรากฏแล้วจึงอยู่กามุปาทานนั้นชื่อว่ามีอารมณ์มาก พอประกอบด้วยโลพาจิต8ดดวงเห็นไหมว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าอุปาทานเนี่ยนะโลภะที่เรียกว่าอุปาทานที่เอาทั้ง8นั้นนะ่ะเพราะโลภะนั้นนะ่ะเป็นโลพาที่สั่งสมอารมณ์บ่อยๆแล้วไม่ใช่โลพาแรกที่เป็นตัญหาแต่โลพานั้นน่ะเข้าถึงการเกิดบ่อยๆสั่งสมอารมณ์ในความใคร่ความยินดีความพอใจของตนเองตเองต็มอิ่มและฉะนั้นโลภะแม้ในโลพา8 จึงเป็นอุปาทานได้เพราะเป็นโลภะที่เกิดหลังไม่ใช่โลภะเกิดก่อนนะไอโลภะคือตัณหาเกิดก่อนก่อนเขาเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะเกิดหลังเนี่ยโลภะหลังๆจึงพัฒนาตัวขึ้นมากลายเป็นอุปาทานใช่ไหมมันเป็นอุปาทานได้ด้วยการที่เข้าไปยินดีพอใจอย่างเหนียวแน่นนั่นเองถ้ามันยังไม่ยินดีพอใจอย่างเหนียวแน่นอย่างเช่นว่าอยากข้างแรกเนี่ยจับไว้ อยากครั้งแรกเหมือนการเอื้อมมือเข้าไปยังไม่จับเนี่ยไอ้นี่ยังไม่ใช่อันนั้นใช่แล้วตัณหาแดโลพาใน8ดดวงก็แต่โลพาแปดวงถ้าเข้าถึงการมีอารมณ์มากเลยยึดไว้แล้วไม่ปล่อยเรียบร้อยเลยฉะนั้นคำว่ายึดเนี่ยคำว่ายึดเนี่ยไม่ใช่แค่ทิฏฐิอย่างเดียวเพราะทิฏฐิเห็นผิดใช่ไหมแต่ตัณหาเน่า ย, ยึดไว้ไม่ปล่อยแต่ถ้าถึงขนาดอาการที่ยึดไว้ไม่ปล่อยเป็นอุปทานแล้ว เป็นอุปาทานแล้วแปลว่ามีอะไรเป็นปัจจัยอ่ะมีตัวตัณหาเป็นปัจจัยมีตัวตัณหาเป็นตัวพัฒนาไองมันเหมือนอยังไงว่าถ้ายังไม่ยึดตัณหาก็เกิดบ่อยๆตัณหาก็เป็นปัจจัยเกิดบ่อยๆเป็นอุปนิสัยเขาเรียวกว่าเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังเนาะนั้นเหนียวแน่นแล้วปัญหาคืออย่างนี้ถามว่าถ้าไม่เป็นอุปาทานทําไมเราละโลภะวิประยุติไม่ได้เพราะมันยึดมันแน่นใช่ไหม ในวะตาะเนี่ยและทำไมลองคิดอย่างนี้ลองคิดอย่างนี้ว่าอุปาทานเนี่ยนะในลักษณะบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยถ้ามาถามว่าพระโสดาบันละทิฏฐุปาทานได้สีละพตุปาทานได้อัตวาทุปาทานได้แต่การมูปาทานเนี่ยพระโสดาบันละได้อย่างได้อย่างเพราะมันมันมากเพราะว่ามันถูกสั่งสมไว้อย่างมากละโดยโสดาปฏิมากยยังไม่ได้ใช่ แสดงว่ามันแน่นจริงๆนะเหนียวแน่นจับไว้ไม่ปล่อยจริงๆนะผูกยึดไว้ยึดอย่างแน่นด้วยลองคิดดูแต่เราขนาดนี้ไปอยู่ในรูปประพมารูปประพมยังล่าไม่ได้ล่าได้ไหมอ๋อพวกปุถุชนทั้งหลายที่ได้ชานเนะี่ยโอ้โหขนาดนั้นน่าจะล้าได้ความแน่นของวิปยุทธนะั่นนะไม่ธรรมดานะอย่าลืมนะนถ้าหากมองตรงนี้จะเห็นนนะทีนี้อุปาทานที่นอกนี้มีอารมณ์น้อย ถามว่าทิศทีขตาสามปยุติจิตสีกับโลพา8ดวงเนี่ยต่างกันมากอารมณ์ต่างกันอารมณ์น้อยกว่ากันเยอะอารมณ์ย่อมน้อยกว่ากันเยอะไอแปดกับสีเนี่ยนะต่างกันอยู่แล้วนี้เขาเรียกอารมณ์น้อยเพราะประกอบด้วยโลพาทิศทีขตาสามปยุติจิตสีดวงอันหนึ่งการมุ ป, ปาทานเนี่ยนะปรากฏแกหมู่สัตว์เพราะความอะไรยินดีนะยินดีโดยมากอุ ป, ปาทานนอกนี้ไม่เป็นเช่นนั้น ทิฏฐุปาทานศีรพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานไม่ได้เป็นแบบการมุปาทานการมุปาทานนี่ใหญ่กว่ามีอารมณ์กว้างขวางกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าการมุปาทานเป็นของมีมากแกบุคคลผู้ถือมงคลตื่นข่าวเป็นต้นไหมใช่ใช่ไหมทีนี้การมุปาทานเนี่ยเป็นของมีมากทีนี้ว่าเพื่อบรรลุวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยนะสัจสตาทิฏฐิหาเป็นเช่นนั้นไหมถามบอกว่า อกรณีที่อาการมู ป, ปาทานเนี่ยวัตถุประสงค์วัตถุของวัตถุประสงค์ของการมุปาทานคือยึดในอะไรยึดในวัตถุกรรมยึดในวัตถุกรรมแล้วยึดมากไหมยึดทุกทุกอารมณ์ที่เป็นวัตถุกรมยศยึดทุกทุกเรื่องที่เป็นวัตถุกรรมนะแต่ถ้าทิฏฐิเนี่ยยึดน้อยกว่านั้นไหมยึดน้อยกว่าไหมยึดน้อยกว่าเพราะเขามีสี่ใช่ไหมทิฏฐปาทานในลําดับ ต่อจากกาโมปาทานทิฏฐุปาทานนั้นจําแนกเป็นสองอย่างด้วยสามารถแห่งสีและประตูปาทานและอัตวาทุปาทานนะไอทิฏฐุปาทานเนี่ยที่ต่อจากกาโมปาทานนั้นน่ยนะมาจําแนกออกอีกเป็นสองเป็นศีและพรตูปาทานศีและปรตูปาทานมีอารมณ์หยาบหรืออารมณ์ละเอียดอารมณ์หยาบหรือละเอียดอารมณ์หยาบเพราะกิริยาอาการของโคกิริยาการของสุนัขน่ะรู้ได้รู้ได้ง่ายๆเลยใช่ไหมเพราะปฏิบัติออกมาเห็นไหม อารมณ์ยึงหยาบไออุปาทานสองอย่างเนี้เชียเห็นใ ค, ใครปฏิบัติอย่างโคเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขเนี่ยเห็นชัดอัตวาทุปาทานในที่สุดเพราะเป็นอารมณ์ที่ละเอียดถามว่าละเอียดไหมอัตวาทุปาทานอ่านั่งอยู่อย่างเงี้ยดูไม่ออกอะ่ะเนี่ยที่นั่งๆ่งกันอยู่เนี่ยทั้งๆที่มีอัตวาทุปาทานเนี่ยบางครั้งทําเหมือนไม่ยึดมัน่นใช่ไหมบางครั้งเหมือนไม่ยึดตัวตนกันเลยนะบางทีโอ้ยปฏิบัติกันเนี่ยนะเอ้า อันนั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามันละเอียดกว่าใช่ไหมละเอียดกว่าสีเราปัตตุปาทานแล้วก็ไอ้อะไรที่ถูกปาทานฉะนั้นเราดําร่ำดาเพลงการเกิดล่ำดับแห่งการละและล่ำดับแห่งเทศนานี่มันต่างกันต่างกัน<ม>ล่ำดับแห่งการเกิดของกิเลสทั้งหลายตรัสไว้โดยนิพปริยายคือโดยตรงนะพราไม่มีคําว่าอุปาทานนี้เกิดขึ้นก่อนในสังสารมีเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้แล้วแต่ ตรัสโดยโดยโดยปริยาตยะโดยอ้อมว่าเป็นความยึดมั่นในสัตสตาและอุเชธาซึ่งมีความยึดถืออัตตาเป็นใหญ่ในพบหนึ่งโดยมากต่อจากนั้นเมื่อเกิดยึดถืออัตตานีเที่ยงเป็ตนต้นจึงเกิดสีรับพรตูปาทานเพื่อความปฏิบัติบริสุทธิ์แห่งอัตตาเมื่อยึดถือว่าอัตตาอัตตานั้นขาดศูนย์ก็จะเกิดการมุปรารทานแก่บุคคลผู้ไม่มีความอะไรในโลกเพราะฉะนั้นอัตวาทุ ป, ปรารทานจังเกิดขึ้นก่อนอัตวาทุ ป, ปาทานเกิดก่อนไหม อะไรเกิดก่อนเกิดก่อนต่อจากนั้นก็จะเกิดทิฏฐุปาทานและสีละพตุปาทานและกามุปาทานดังนี้เป็นลำดับเหตุการ์เกิดขึ้นของอุปาทานเหล่านั้นในภพหนึ่งดยประการชนิดคนเราเนี่ยเมื่อเห็นโดยความเป็นตัวเป็นตนต่อมาก็ไปเห็นเป็นเห็นเป็นอะไรเห็นโดยความเป็นศีละพตุปาทานบ้างเห็นไคืออตตวาทุปาทานเนี่ยจะเกิดก่อนเนีสักยทิฏฐิเนี่ยจะเกิดก่อน ตัว น, นี้นะพอเกิดแบบนี้เบ็ดเสร็จต่อจากนั้นก็จะเกิดทิฏฐุปาทานแล้วก็จะเกิดสีละพตุปาทานไอ้ทิฏฐุปาทาน62ก็จะตามมาแล้วก็ไอ้สีละพตุปาทานปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนักเป็นต้นจะตามมาและในขณะเดียวกันและกาโ ม, มปาทานเป็นลำดับแห่งความเกิดขึ้นของอุปาทานเหล่านั้นแล้วยินดีใช่ไหมยินดีในข้อปฏิบัติยินดีในทิฏฐิแล้วก็ยินดีในลา ยินดีในการเห็นความเห็นเป็นตัวเป็นตนของตัวเองทีนี้ลำดับแห่งการละทิฏฐุปาทานเนี่ยใครละได้โสดาปฏิมักประหารกาโมปาทานนี่แหละอารหัตรรมะเหนืกามุปาทานเนี่ยนะงั้นทิฏฐุปาทานในทานในลำดับต้นนะนะโสดาปฏิมักละก่อนกิเลสอันโสดาปฏิมักละกามุปาทานด้วยอารหาธรรมะทีนี้ในลำดับแห่งการแสดงพระพุทธเจ้าแสดง อะไรก่อนแสดงอะไรก่อนลำดับแห่งการแสดงพระพุทธเจ้าแสดงการมูปาทานก่อนเพราะมีกิเลสเพราะเป็นกิเลส ท, ที่มีอารมณ์มากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องกิเลสสกรรมวัตถุการมเนี่ยมากก่อนใช่แล้วจึงไปแสดงอะไรทิฏฐปาทานแล้วก็แสดงศีและประตูปาทานจบลงด้วยอัตตวาทุปาทานนี่ลำดับแห่งเทศนา